สายทางเดินของวิปัสนาในเมื่อจิตของเรามีความคิดคิดไปคิดไปคิดไปเรารู้ไปรู้ไปรู้ไปในบางช่วงมันจะแยกเป็นสามิติมิติ1คิดอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจ้องดูอยู่ถ้ากายยังปรากฏอยู่มิติหนึ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวคิดไม่หยุด คือจิตเหนือสานึกตัวเฝ้าดูคือสติผู้รู้ตัวนิ่งเฉยอยู่ในท้ำกลางของร่างกายเป็นจิตได้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานในเมื่อมันละเอียดไปละเอียดไปจนกระทั่งกายหายไปจิตจะหยุดนิ่งสว่างสวยัยรู้ตื่นเบิกบานสภาวะที่เป็นความคิดที่เราผ่านไปแล้วนี่จะเป็นเสมือนหนึ่งเมฆหมอกหรืออะไรไปวนอยู่รอบจิต แต่จิตไม่ได้วันไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆอันนี้แหละที่หลวงปูม่มันท่านเรียกว่าทีติภูตังสายการเดินของวิปัสสนามันจะต้องไปอย่างนี้ที่แรกเราตั้งใจคิดว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วนี่มันวางอารมณ์ลงมีแต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไป อยู่แค่นั้นความคิดที่เกิดขึ้นดับไปนี่เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จิตใต้สำนึกมันจะปรุงขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านถ้ามันฟุง้งเราก็ไม่กลัวถ้ามันคิดไปคิดแล้วสักแต่ว่าคิดคิดแล้วทิ้งไปอันนี้มันไม่ฟุง้งแต่ว่าคิดแล้วมันดีใจไปเสียใจไปร้องไห้ไปหัวเราะไปทุกไปสุขไป อันนี้มันฟุง้งแต่ไม่เป็นไรถ้ามีลักษณะที่มันฟุ้งนี่แหละดีที่สุดสติของเราก็จ้องดูอยู่นั่นแหละจิตคิดเราก็รู้คิดแล้วดีใจเราก็รู้เสียใจเราก็รู้สุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้ธรรมชาติของจิตเมื่อมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึ ก, น, กนักเข้ามันเพิ่มพลังงานมากขึ้นสมาธิมั่นคงสติเป็นมหาสติ ทีนี้เขาจะกำหนดหมายอารมณ์สิ่งรู้ที่ปรากฏขึ้นพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะหยุดนิ่งปับ๊บพอไว้ตัวปับ๊บถ้ามันไปกำหนดหมายทุกขมันก็จะบอกว่านี่คือทุกขอาอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อมันเข้มแข็งขึ้นมันก็จะมองดูสุขทุกเกิดขึ้นสลับกันไปและมันจะได้ความรู้ว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด